ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่ส1มสิบเอ็ดโจโดนาดิวินิชยกถากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการโจดอาบัตเป็นต้นต่อ ฐานะว่าการคือการที่ลักนี่เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาวิจัยในการลักทรัพย์ก็คือพิจารณาจากวัตถุหมายถึงของที่ลักไปแล้วก็การเวลาที่ลักประเทศราคาการใช้ต่ออีกเขาพิจารณาห้าอย่างด้วยจึงจะมาตัดสินได้ในเรื่องการลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องของการนี้การที่ลัก ด้วยว่าพันดะนั้นๆบางคราวมีราคาถูกบางคราวมีราคาแพงเพราะฉะนั้นพันดะนั้นพระวินัยทรพึงปรับอาบัตตามราคาของในการที่พิจารุลักพึงสอดส่องถึงการเช่นนี้ก็คือในปัจจุบันนี้อาจจะของที่รักมานั้นอาจจะมีราคาถูกแต่ว่าในอดีตอาจจะมีราคาแพงก็ได้ของขึ้นขึ้นลงล ง, ลงได้เพราะฉะนั้น ต้องตัดสินในการที่รักหรือว่าในตอนที่เขาขณะที่เขาลักเนี่ยของนั้นเนี่ยมีราคาถูกแต่ว่าต่อมานานขึ้นนานขึ้นของนั้นก็มีราคาแพงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดสินก็ต้องตัดสินในขณะที่เขารักราคาของนั้นอะ็นราคาเท่าไรฐานะว่าประเทศคือประเทศที่รักก็พันด่านั้นภิกษุรักในประเทศใดพระวินัยทรพึงปรับอาบัตตามราคา ของประเทศนั้นนั่นแหละด้วยว่าในประเทศที่เกิดของพันดะนั้นพันดะย่อมมีราคาถูกในประเทศอื่นย่อมมีราคาแพงเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าของที่รักมานั้นมันเกิดที่ไหนรักที่ไหนถ้ารักที่ประเทศนั้นมีราคาถูกแ้าอยู่ในประเทศอื่นมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเมื่อเอาไปในประเทศอื่นแล้วจะไปตัดสินตามประเทศอื่นไม่ได้ ต้องประเทศที่เขาสร้างก็คือภูมิสถานหรือว่าที่ที่รัเนั่นแหละก็เพื่อแสดงเนื้อความแม้นี้ควรสาธกเรื่องดังต่อไปนี้ได้ยินว่าในประเทศอันตรรศสมุทรก็คือคาบฝั่งสมุทรมีพิจษรรูปหนึ่งได้มาพร้าวมีสันถานดีจึงให้เกลิงทําเป็นกระบวยน้ำที่น่าชอบใจเช่นกับปลืกสังได้วางไว้ที่ประเทศนั้นนั่นเอง จึงได้ไปยังเจติยคกีริวิหารคราวนั้นมีพิกษุรูปอื่นได้ไปยังประเทศข้าฟั่งสมุทรพักอยู่ที่วิหารนั้นพอเห็นกระบวยนั้นจึงได้ถือเอาด้วยไธยจิตก็คือลักเอามาแล้วก็มาอย่างเจติยักษีริวิหารนั่นเองเมื่อเธอรูปนั้นดื่มข้าวยาคูอยู่ที่เจติยคกีริวิหารนั้นพิสดูเจ้าของกระบวยได้เห็นกระบวยนั้นเข้าจึงกล่าวว่า คุณได้กระบวยนั้นมาจากไหนพิกสุรูปที่ถือมานั้นตอบว่าผมนํามาจากประเทศข้าฝั่งสมุทรพิกสุเจ้าของกระบวยนั้นกล่าวว่ากระบวยนี้ไม่ใช่ของคุณคุณถือเอาด้วยความเป็นขโมยดังนี้แล้วจึงได้ฉุดคล้าไปยังท่ามกลางสง์ในเจติยะคียรีวิหารนั้นพิกสุทั้งหลายก็ไม่ได้รับความชี้ขาดจึงพากันกลับมาอย่างมหาวิหารก็คือไปยัง เจดีย์คีริวิหารแต่ว่าไม่มีใครที่ตัดสินได้ก็เลยพากันกลับมาที่มหาวิหารเธอทั้งหลายให้ตีกลองประกาศในมหาวิหารแล้วทำการประชุมใกล้มหาเจดีย์เริ่มวินิจฉัยกันก็เสระผู้ทรงพระวินัยทั้งหลายก็ได้บัญญัติอาหารไว้แล้วก็แลพิถุผู้ฉลาดในพระวินัยชื่ออภิธรรมิกะโคทตตะเทระ จะสรงพระพิธรรมด้วยนะชื่ออาพิธรมิกะแต่ว่าเป็นผู้ฉลาดในพระวินัยก็มีอยู่ในสันนิบาตนั้นด้วยพระเถระนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพิกสุ ร, รูปนี้ลักกระบวยนี้ในที่ไหนพิกสุนั้นตอบว่าลักในประเทศอันตรรสมาดคาบสมุทรพระเถระจึงถามว่าในที่นั้นกระบวยราคาเท่าไหร่พิกษุถึงไหนเรียนว่าไม่มีค่าอะไรอะไร พระเถระกล่าวว่าความจริงที่ประเทศนั้นพวกประชาชนปอกมะพร้าวเคี้ยวกินเยื่อข้างในแล้วก็ทิ้งกระดาไว้ก็กระดานนั้นกระจายอยู่เพื่อเป็นฟืนเท่านั้นพระเถระถามต่อไปว่าหัตถกรรมในกระบวยนี้ของพิจิุรูปนี้มีค่าเท่าไหร่ก็คือค่าแรงงานค่าธรรมเนี่ยสะคิดสัเท่าไหร่พิกิุทั้งหลายเรียนว่ามีค่าหนึ่งมาศหรือย่อนกว่าหนึ่งมาศ พระเถระถามว่าก็มีในที่ไหนบ้างซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติปาราชิกไว้พระหนึ่งมาศหรือย่อนกว่านหนึ่งมาศเมื่อพระเถระกล่าวอย่างนี้แล้วก็ได้มีการสาธุ ก, การเป็นอันเดียวกันว่าถูกแล้วถูกแล้วสาธุสาธุพระคุณท่านกล่าวชอบแล้ววิธิใชยถูกต้องดีแล้วก็คราวนั้นแม้พระเจ้าพาฏิยาราชก็เสด็จออกจากกรรณาครเพื่อถวายบังคมพระเจดีย ได้เสดับเสียงนั้นจึงตรัสถามว่านี่เรื่องอะไรกันครั้นได้เสด็จเรื่องทั้งหมดตามลำดับแล้วจึงทรงรับสั่งให้เที่ยวจีกลองประกาศในพระนครว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่อภิกรของพวกพิษุบ้างพวกพิษุรีบ้างพวกครหัตบ้า ง, างที่พระอภิธรรมมิกาโคทะตะเทระตัดสินแล้วเป็นอันตัดสินถูกต้องดีแล้วเราจะลงราชอา ญ, ญาแก่ผู้ไม่ตั้งอยู่ในคําตัดสินของท่าน ซึ่งสอนส่องถึงประเทศอย่างนี้อันนี้ก็ได้พระราชาผู้มีความเลื่อมใสในพระวุทธศาสนามาช่วยกํากับทําให้พระวินายนั้นรับกลุ่มก็คือต้องมีความยําเกรงมากขึ้นเหมือนกับพระราชาของเราในสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็ออกกฎหมายห้ามพระภิสุทธิ์ทำผิดก้าทาผิดก็จะมีโทษเอาโทษถึงพวกรกหัตด้วยเช่นพระภิสุ์ห้ามรับเงินทองห้ามไปประจบประแจงกหัตริย์จะรับใช้กษัตริย์ตัวนี้ ถูกลงโทษด้วยเอาเรื่องทางกฎหมายด้วยญาติโยมที่ไม่ช่วยบอกกล่าวก็คือพวกที่เป็นพ่อแม่พี่น้องไม่บอกกล่าวให้วตุให้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในศีลธรรมจะถอยถูกลงโทษไปด้วยฐานะว่าราคาคือราคาของวัตถุข้าวของที่รับมานั้นด้วยว่าพันธะใหม่ย่อมมีราคาภายหลังราคาย่อมลดลงได้เหมือนบา ท, ที่ระบบใหม่ ย่อมมีราคาถึงแปดหรือสิกหาปณะภายหลังบาดนั้นมีช่องทะลุหรือถูกหมุดและปมทาลายย่อมมีราคาน้อยเพราะฉะนั้นพระวินัยทอไม่พึงตีราคาของด้วยราคาตามปกติเสมอไปทีเดียวแลพึงสอนสองถึงราคาอย่างนี้ฐานะว่าการใช้สอยคือการใช้สอยพันดะด้วยว่าราคาพันดะมีมีดเป็นต้น ย่ำลดราคาลงเพราะการใช้สอยเพราะฉะนั้นพระวินัยธอนควรพิจารณาอย่างนี้คือถ้าที่สุดบางรูปลักมีดของใครใครมาซึ่งมีราคาได้บาทหนึ่งคือห้ามากบรรดาเจ้าของและผู้มิใช่เจ้าของมีดเหล่านั้นพระวินัยทอนพึงถามเจ้าของมีดว่าท่านซื้อมีดนี้มาด้วยราคาเท่าไรเจ้าของมีดเรียนว่าบาทหนึ่งขอรับ กระวินัยทอนถามว่าก็ท่านซื้อมาแล้วเก็บไว้หรือว่าใช้มีดบ้างถ้าเจ้าของมีดเตียนว่าผมใช้ตัดไม้ถีฟันบ้างทาสเก็ตน้ำย้อมบ้างตักฟืนระบมบาดบ้างฝนที่หินรับมีดบ้างเพิ่งทราบว่ามีดนั้นเป็นของเก่ามีราคาตกไปมีดย่อมีราคาตกไปขนาดใดยาหยอดตาก็ดีไม้ป้ายยาหยอดตาก็ดีกุญแจก็ดีย่อมีราคาตกไปฉันนั้น แม้พราะเหตุที่ถูกขัดทำให้สะอาดด้วยใบไม้แกลบหรือด้วยผงอิฐเพียงครั้งเดียวก้อนดีบุกย่อมมีราคาตกไปเพราะการตัดด้วยฟันมังกรบ้างเพราะเพียงการขัดถูบ้างถ้าอาบน้าย่อมมีราคาตกไปเพราะการนุ่งห่มเพียงครั้งเดียวบ้างเพราะเพียงพาดไว้บนจังวอยบ่าบ้างหรือบนศีรษะโดยมุ่งถึงการใช้สอยบ้าง วัตถุทั้งหลายมีข้าวสารเป็นต้นย่อมมีราคาตกไปเพราะการฝัดบ้างเพราะการคัดออกทีละเมล็ดหรือสองเมล็ดจากข้าวสารเป็นต้นนั้นบ้างโดยที่สุดเพราะการเก็บก้อนหินและก้อนตปวจทิ้งทีละก้อนบ้างวัตถุทั้งหลายมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้นย่อมมีราคาตกไปเพราะการเปลี่ยนภาชนะอื่นบ้างโดยที่สุดเพราะเพียงเก็บมล็วันหรือว่ามดแดงออกทิ้งจากเนยใสเป็นต้นนั้นบ้าง ก่อนน้ำอ้อยย่งมีราคาตกไปแม้เพราะเพียงเอาเล็บเจาะดูเพื่อรู้ความมีรสหวานแล้วถือเอาโดยอนุมานเพราะฉะนั้นสิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีราคาถึงบาทซึ่งเจ้าของทำให้มีราคาหย่อนไปเพราะการใช้สอยโดยในดังที่กล่าวแล้วนั่นแลพระวินัยทอนไม่ควรจับทิษุผู้รักพันดะ น, นถึงปาราชิกพึส่สอนสอนถึงการใช้สอยอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นความละเอียดของพระวินัยทอนที่จะต้องรอบรู้นะในเรื่องของตัววัตถุคือของที่ลักมานั่นเองนะหรือว่าเป็นการเวลาที่ลักมานั่นอ่ะเป็นเวลาที่ของนั้นแพงหรือว่าของนั้นถูกในประเทศนั้นประเทศนั้นของแพงหรือว่าของถูกหรือว่าราคาของของนั้นเองถ้าว่าเป็นของที่มีราคาเท่าไหร่ถึงห้ามาศไหม ถึงบาทนึงหรือเปล่าถ้ามาส่งก็คือบาทหนึ่งนะถ้าถึงบาทหนึ่งก็บาทอาชิกได้ถ้าไม่ถึงบาทก็บาทอาชิกไม่ได้แล้วก็การใช้สอยถ้ามีการใช้สอยไปราคาเนื้น็จะต้องลดลงเพิกตูผู้ฉลาดไตสวนฐานห้าประการอย่างนี้แล้วพึงทรงอัดทคดีจึงตัดสินว่าเป็นอาบัตหรือว่าอนาบัตอาบัตหนักถือว่าอาบัตเบาในฐานะที่สมควร พระเหตุนั้นพระอัรกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าสิกขาบทอื่นใดๆที่มีในอันซับซ้อนมากมายมีเนื้อความและวินิจฉัยลึกซึง้งเสมอด้วยทุติยปาราชิกสิขาบทนั้นไม่มีในบรรดาสิขาบททั้งหลายเนี่นะที่วินิจฉัยยากวินิจฉัยลำบากมีข้อความละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งมากที่สุดก็คือทุติยปาราชิกนี่แหละรองลงมาก็ตัติยปาราชิกเรื่องการฆ่ามนุษย์ เพราะว่ามันมีเรื่องรายละเอียดมีการสั่งบังคับมีการผิดสังเกตมีการฆ่าโดยวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันผิดสังเกตหรือเปล่ามันผิดเป้าหมายมันผิดเจตนาอะไรไปหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องของการนี้ต้องศึกษาอย่างละเอียดเพราะเหตุนั้นเมื่อเรื่องอยั่งลงแล้วภิกษุผู้รู้ทั่วถึงพระวินยัยจะทาการวินิจฉัยในเรื่องที่ยั่งลงแล้วนี้ด้วยความอนุเคราะห์พระวินยัย พึงพิจารณาพระบาลีและอัตถกถาพร้อมทั้งอธิบายโดยทั่วทีอย่าเป็นผู้ประมาททากรรมนิฉัยเธอในการไหนๆไม่พึงทําความอาถานในการชี้อาบัติควรใส่ใจว่าเราจะเห็นอนาบัติก็คือตั้งใจไว้นะว่าเราจะตัดสินโดยยุติธรรมพิจารณาแล้วเพื่อที่จะให้เห็นว่าไม่เป็นอาบัติแต่ว่าไม่ใช่อาคติไปตัดสินแล้วเขเป็นอาบัติไปตัดสินให้ไม่เป็นอาบัตอันนี้ก็มีโทษ แต่ว่าพึงใส่ใจว่าขอให้ปริจูรูปนี้เนี่ยที่ถูกโจดเนี่ยเป็นผู้ที่บริจุดไม่เป็นอาบัตเทอร์แล้วก็ได้ใช้ให้ดีไม่ควรอ่านหาชี้อาบัตเลยอันหนึ่งแม้เห็นอาบัตแล้วอย่าพึ่งพูดเพื่อไปก่อนอย่าพร่ำพูดไปก่อนแม้จะเห็นอาบัตพึงไคร่ครวนและเทียบเคียงกับท่านผู้รู้ทั้งหลายแล้วจึงรับอาบัตนั้นอีกประการหนึ่งปริจูทั้งหลายผู้เป็นบุติชนในศาสนานี้ ย่อมเคลื่อนจากคุณคือความเป็นสมณะด้วยอํานาจแห่งจิตที่มักกลับกรอกเร็วในเพราะเรื่องแม้ที่ควรจะไม่ควรจะเป็นอบัติเลยไม่ควรจะพลาดจากความเป็นสมณะไปเลยแต่ว่าความกลับกรอกเร็วของจิตไปหยิตของของคนอื่นเขาแล้วก็เลยมีไถ่จิตขึ้นมาเนี่ยทีแรกก็ตั้งใจเอามาดูเฉยแต่ว่าความกลับกรอกของจิตอย่างเร็วก็ทําให้ผลจากความเป็นสมณะไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้อง ระวังอย่างมากเพราะเหตุนั้นพิจุพูดเฉลียวฉลาดเมื่อเล็งเห็นบริขารของผู้อื่นเป็นเหมือนงูมีพิษร้ายและเหมือนไฟพึงจับต้องเถิดคือถ้าจะต้องไปจับต้องบริขารของผู้อื่นข้าวของของผู้อื่นเนี่ยก็ต้องสําคัญเห็นว่าข้าวของเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับอสสรพิษร้ายหรือว่าเป็นเหมือนกับไฟที่สามารถเผาร้นเราได้ให้จับต้องด้วยสติธรรมเชิญยาอย่างนี้ ภิกษุผู้จะวินิจฉัยการอวดอุตริมุสธรรมเพึงชำระฐานะหกประการเหล่านี้คือท่านบรรลุอะไรข้อทหนึ่งนะข้อที่สองบรรลุอย่างไรข้อที่สามบรรลุเมื่อไหร่ข้อที่สี่บรรลุที่ไหนข้อที่ห้าท่านละกิเลสพวกไหนได้ข้อที่หกท่านได้คุณธรรมอะไรนี่เป็นคําถามที่จะต้องมาสอบสวนสําหรับคนที่อ้างตนเองว่าบรรลุโลกุตรธรรมเป็นพระอริยบุคคล ถ้าแม้ทพิจารูปใดๆพยากรณ์การบรรลุอุตริมรุธรรมใครๆไม่ควรสักการะพิจารูปนั้นด้วยคําพยากร์มีประมาณเพียงเท่านี้ก่อนแต่เธอควรถูกทักท้วงเพื่อสอบสวนให้ขาสะอาดในฐานะทั้ง 6. หกลานี้ว่าท่านได้บรรลุอะไรคือว่าท่านได้บรรลุฌานหรือได้บรรลุบรรดาวิโมกข์เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจึงอยู่ธรรมะที่บุคคลใดได้บรรลุแล้ว ย่อมเป็นของปรากฏแก่บุคคลนั้นถ้าเธอกล่าวว่าข้าพเจ้าได้บรรลุทำชื่อนี้ลำดับนั้นควรสอบถามเธอว่าท่านได้บรรลุด้วยวิธีไรคือควรทักถามว่าท่านทำอะไรในบรรดาไตรลักษณ์มีอนิจจาลัษณะเป็นต้นให้เป็นทุระหรือตั้งมั่นอยู่ด้วยหัวข้ออะไรในบรรดาอารมณ์38อย่างหรือในบรรดาธรรมอันต่างด้วยรูปธรรมอรูปธรรม กลายเป็นภายในและกายเป็นภายนอกเป็นต้นจึงได้บรรลุเพราะว่าถ้าเจริปรัญนาได้บรรลุจริงเนี่ยจะต้องรู้นะว่าการพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยเน้นหนักในไตรลักษณ์ไหนเพราะว่าเวลาที่คนบรรลุเนี่ยจะมีไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องออกทําให้บรรลุด้วยอนิจจังหรือว่าทุกขังหรือว่าด้วยอนัตตาหรือว่าถ้าได้ฌานเจริญฌานมีอารมณ์อะไรใช้อารมณ์อะไรในสาที่ปดอย่าง หรือว่ากระไรปัสนาได้บรรลุปัสนาใส่ใจในานามธรรมรูปธรรมมากหรือว่ากายภายในกายภายนอกมากจึงได้บรรลุแท้จริงความตั้งมั่นใดของบุคคลใดมีความตั้งมั่นนั้นย่อมปรากฏแก่บุคคลนั้นถ้าพิกษูกล่าวว่าความตั้งมั่นชื่อนี้ของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าได้บรรลุด้วยวิธีอย่างนี้ดังนี้ลำดับนั้นควรสอบถามเธอดูว่าท่านบรรลุเมื่อไหร่ คือควรสักถามถือว่าท่านได้บรรลุในเวลาเช้าหรือว่าในเวลาที่ยังเป็นต้ น, นเวลาใดเวลาหนึ่งหรือความจริงการเวลาที่ตนได้บรรลุย่อมเป็นของปรากฏแก่ชนทุกจําพวกคือผู้ที่ได้บรรลุจะต้องรู้ตัวเองว่าได้บรรลุตอนไหนแน่นอนไม่หลงลืมหรอกถ้าที่สุกล่าว่าข้าพเจ้าได้บรรลุในการชื่อนูนลําดับนั้นควรสอบถามเธอดูว่าท่านได้บรรลุที่ไหนคือ ควรสักถามเธอว่าท่านได้บรรลุในที่พักกลางวันหรือในบรรดาที่พักกลางคืนเป็นต้นโอกาสใดโอกาสหนึ่งหรือความจริงโอกาสที่ตนได้บรรลุจ้าปรากฏไก่ชนทุกจําพวกที่ได้บรรลุนั่นแหละคนที่ได้บรรลุจะต้องรู้นะว่าไปปฏิบัติธรรมะที่ไหนได้บรรลุตรงไหนนี่ต้องรู้ถ้าพิสูจกล่าวว่าข้าพเจ้าได้บรรลุในโอกาสชื่อโน้นลําดับนั้นควรสอบถามเธอดูว่าท่านละกิเลสเหล่าไหนได้ คือควรซักถามเธอว่ากิเลสทั้งหลายที่ปฐมมรรคพึงค่าหรือที่ทุติยมรรคเป็นต้นพึงค่าท่านละได้แล้วหรือความจริงกิเลสอันมรรคที่ตนได้บรรลุแล้วละได้แล้วย่อมปรากฏแก่ชนที่บรรลุทุกจาพวกนั่นแหละเพราะว่าจะต้องมีปัจเจกขนญาติที่เจตนากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่ ถ้าพิจูกล่าวว่ากิเลสชื่อเหล่านี้ครับเจ้าละได้แล้วลําดับนั้นควรสอบถามเธอดูว่าท่านได้ทําเหล่าไหนคือควรสอบถามเธอดูว่าท่านได้โสดาปฏิมักหรือได้บรรดามักมีสกทาคามิมักเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความจริงทำที่ตนได้บรรลุแล้วย่อมปรากฏแก่ชนทุกจําพวกคือได้บรรลุแล้วก็ต้องรู้ตัวเองแหละ ว, ว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือว่าเป็นพระอารหรันต นอกจากว่าเข้าใจผิดเท่านั้นเองไม่ใช่ปัจจัยขนญาหรอกแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดเป็นวิปลาสเป็นวิปัทโนปักิเลเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุแล้วแต่ว่าความจริงไม่ได้บรรลุถ้าพิสูจกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำชื่อเหล่านี้ไม่ควรเชื่อถือคำพูดของเธอแม้ด้วยคำพยากรณ์มีประมาณเพียงเท่านี้จึงอยู่พิสูจ์ทั้งหลายผู้ผหูสูดเป็นผู้ฉลาดในการเรียนและการสอบถาม ย่อมสามารถสอบสวนฐานะทั้งหกเหล่านี้ให้ขาวสะอาดได้ส่วนอาคมมะณปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุมาแห่งมักของทิกสุนี้ควรสอบสวนให้ขาวสะอาดถ้าอาคมมะณปฏิปทาไม่บริสุทธิ์ทิกสุดทั้งหลายควรกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าโลกุตระธรรมท่านจับไม่ได้ด้วยปฏิปทานี้ก็คือยังผิดขีนอยู่เลยยังเป็นผู้มกักมา ก, มากชอบผุ้คลีอยู่ ชอบพูดชอบคุยชอบทำการงานแล้วก็บอกว่าตนเองได้บรรลุมรรคบรรลุผลแล้วอันนี้ก็ยังไม่ต้องเชื่อถือทำให้สอบสวนกับหลักคำสอนที่ดีแล้วนำเธอออกไปเสียถ้าเธอไม่บริสุทธิ์ก็ให้นาเธอออกไปแต่ถ้าคำนปฏิปทาของพิจุนั้นบริสุทธิ์ถ้าพิจุนั้นปรากฏในปฏิปทานนั้นว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในตรสิคขารักษาศีลก็เค่งครัดจำดี ปฏิบัติทูดงด้วยมักน้อยสันโดษขัดกล่าวอบรมจิตตะศิขาปัญญาศิขาอยู่ตลอดทั้งมันประกอบทำเป็นเครื่องตือนอยู่ตลอดราตรีไม่พ้องอยู่ในปัจจัยทั้งสี่อยู่ด้วยใจเสมอด้วยฝ่ามือในอากาศไม่ติดข้องกับพวกญาติโยมทั้งหลายคำพยากรณ์ของพิษุนั้นย่อมเทียบเคียงกับข้อปฏิบัติได้คือเป็นเช่นกับพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าน้า แม่น้ำคงคากับน้ำแม่น้ำยมูนาเทียบเคียงกันได้เข้ากันได้ชื่อแม้ฉันใดปฏิปทาที่ให้ถึงพระนิพพานอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงบัญญัติ ด, ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งพระนิพพานและปฏิปทาเทียบเคียงกันได้ก็คือพระนิพพานกับอริยมรรคเมืองแปดนี้เข้ากันได้เป็นเหตุเป็นผลต่อกันอีกอย่างหนึ่งแลใครๆไม่ควรทำสการะ แม้ด้วยคําพยากรณ์มีประมาณเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พิกษุผู้เป็นปุติชนบางรูปก็มีปฏิปทาเหมือนข้อปฏิบัติของพระขีนาศพก็ฉะนั้นใครๆพึงทำให้พิกษุรูปนั้นว่าสะดุ้งด้วยวิธีการหลายอย่างเพราะว่าบุชนที่ฉลาดเรียนรู้มาดีแล้วก็เริ่มในการที่จะปฏิบัติก็มีการเข้าใจผิดได้มีข้อปฏิบัติเหมือนกับพระกีณาศพเลยมันต้องทดลอง อารทดลองก็มีหลายอย่างธรรมดาพระขีนาตกแม้เมื่ออัศนีบาดพาลงมาบนกระมมก็หามีความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือขนพองสยองกล้าวไม่สําหรับปุจจิชนแม้อัศนีบาดพาลงมาเพียงเล็กน้อยก็หวาสดสะดุ้งแล้วแล้วก็เครื่องเทียบเทียมหลายอย่างในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้เป็นตัวอย่างได้ยินว่าพระขีฆาพานตะอภัยเถระ ไม่สามารถที่สูจน์พิสูตรูปหนึ่งที่ถือบินธบาตเป็นวัดได้จึงได้ให้สัญญาณแก่พิกตุหนุ่มไว้พิกูตรหนุ่มรูปนั้นจึงดำน้ําอยู่ที่ปากน้ำกาลยาณีจับเท้าพระที่ถือบิณธบาตเป็นวัดรูปนั้นที่กําลังอาบน้ํ า, นานอยู่พระที่ถือบินธบาตเป็นวัดนั้นเข้าใจว่าเป็นจระเขศก็ส่งเสียงร้องขึ้นตั้งแต่นั้นใครๆก็รู้ว่าท่านยังเป็นปุตุชนอันนี้ก็เป็น การพิสูจนอย่างหนึ่งเพราว่าบางท่านเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์มีกิริยาท่าทาง ท, ที่สงบสงเสียมเรียบร้อยพูดจามักน้อยสันโดษอะไรกันบ้างก็ทําให้เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นก็มีการทดลองพระอรหันต์ก็จะไม่ตกใจพระอีกเรื่องหนึ่งแต่ในรัชสมัยของพระเจ้าจันทามุขติสสะพระสังฆเทระในมหาวิหารเป็นพระขีณาสพแต่เสียจักรสุอยู่ในวิหารนั่นแหละคือตาบอด พระราชาคิดว่าจะพิจูดพระเถระเมื่อพิจูดทั้งหลายออกไปพิถาจารกิงย่องเข้าไปจับเท้าพระเถระทาเป็นเหมือนงูรัดพระเถระนิ่งเหมือนเสาหินถามว่าใครในที่นี้พระราชาตรัสว่ากระผมติดสักขอรับพระเถระกล่าวว่ากลิ่นหอมของอัตมภาพย่อมฟุ้งไปหรือ ชื่อว่าความกลัวย่อมไม่มีแกพระขีนาสบด้วยประการอย่างนี้พระอรหันต์นี้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปจนกระทั่งใครใครก็อยากติดจะเข้าหาแต่ว่าใ น, นเมื่อไม่แน่ใจก็เลยขอพิสูตรก่อนตาบอดด้วยไปจับที่เท้าท่านท่านก็ไม่ได้ตกใจอะไรก็บุคคลบางคนแม้จะเป็นบุติชนก็เป็นคนกล้าหาญไม่ขี้คลาดคนผู้นั้นต้องพิสูตนด้วยอารมณ์ที่น่ารัก ยิงอยู่แม้พระเจ้าวสัสพเมื่อจับพิตรวพระเถระรูปหนึ่งจึงนิมนต์ให้นั่งในพระราชมณีนแล้วรับสั่งให้คนขยําผลพุทธาในสํานักของท่านถ้ามหาเถระน้ําลายสอแต่นั้นความที่พระเถระเป็นปุตชชนก็ชัดแจ้งอันนี้ก็เป็นเครื่องวิสูจน์อย่างหนึ่งสมัยนี้อาจจะทํามะม่วงน้ําปลาหวานถ้าพระเถระองค์ไหนปวดคุยหรือว่ามีคนบอกว่าองค์นั้นเป็นพระทารน้ององค์นี้เป็นพระทหารว่าเอา มมวงน้ำปละหวานไปนั่งเคี้ยวกินใกล้ๆท่านดูสิว่าท่านจะน้ำลายสอไหมท่านน้ำลายสอบแสดงว่าไม่ใช่พระอราหันต์และเพราะว่าธรรมดาพระขีนาศกและความอยากในรถได้หมดแล้วชื่อว่าความใคร่ในรถทั้งหลายแม้เป็นทิพย์ก็ไม่มีฉะนั้นจึงพิสูจน์ด้วยอุบายเหล่านี้ถ้าความกลัวความหวาดเสียวหรือว่าความอยากในรถยังเกิดแก่ท่าน ก็พึงตัดออกได้ว่าท่านไม่ได้เป็นพระอระหันต์แต่ถ้าไม่กลัวไม่สะดงุงไม่หวาเสียวคงนั่งสงบเหมือนราชสีแม้ในอารมณ์อันเป็นทิพย์ก็ไม่ทำความใคร่ให้เกิดขึ้นพึงทราบพิกตุนีว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยการพยากรคือถ้าท่านพยากรหรือว่าแสดงอาการในความเป็นพระอรหันต์ย่อมควรแก่เครื่องสการะที่พระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเป็นต้นทรงมาโดยรอบแล เพื่อไม่ได้ใช้ในการบอกอุตรินุสธรรมด้วยประการดังว่ามาชะนี้แลต่อไปก็พระวินัยทรผู้ปรารถนาความฉลาดในวินัยวินิฉัยทั้งสิ้นควรทราบวินัยสี่อย่างคือถ้าต้องการที่จะเป็นคนที่ฉลาดในการวินิฉัยวินัยสําหรับท่าผู้ที่ส่งพระวินัยวินัยทรทั้งหลายก็ควรจะต้องรู้วินัยสี่อย่างนี้ จึงอยู่พระธรรมสังคาหะตะมหาเถระคือพระเถระที่ร่วมกันสังคยนาในครั้งแรกๆ แ, แล้วก็ครั้งต่อมาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากในปางก่อนได้นําวินัยสีอย่างออกเปิดเผยแล้ววินัยสี่อย่างนั้นเป็นฉไนวินัยสี่อย่างคือสูตรอย่างหนึ่งสูตรตานุโลมอย่างหนึ่งอาจจริยวาวอย่างหนึ่งแล้วก็อัตโนมัติอย่างหนึ่ง วินัยสียามนี้ก็มีหลายในอย่างเช่นในอัตถวเสสะกอรประโยชน์ของการบัญญัติสิกขาบทที่พระพุทเจ้าทรงแสดงเนี่ยก็จะมีข้อสุดท้ายเพื่ออนุเคราวินยัยในที่นั้นก็แสดงว่าเป็นวินัยสยางเหมือนกันก็คือเป็นสังวรวินัยอย่างหนึ่งสังวรก็มีห้าปาริโมกสังวรอินทรียสังวร ญาณติสังวรญาณสังวรวิริยะสังวรสังวรห้าก็เป็นวินัยประหารวินัยห้าอย่างก็เป็นวินัยเหมือนกันสางข้าประหารวิขำพนักประหารสมุเฉท้าประหารปฏิปัสสติประหารแล้วก็นิสธรรมนักประหารในที่นั้นก็เป็นวินัยด้วยเรียกว่าประหานวินัยแล้วก็ยังมีบัญญัติวินัยก็ได้แก่อะไรบัญญัติวินัยก็สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติน่ะอีกประการหนึ่งก็อะไรสมรมถาวินัย แที่กระดองน้ำสมบัติเจ็ดก็เป็นวินัยอันวินัยในที่นั้นก็ในยะหนึ่งแต่ว่าวินัยในที่นี้ก็หมายถึงเป็นเครื่องเทียบเคียงเครื่องตัดสินได้แก่สูตรสุตานุโลมอาจารยิยวาทและพระอัตโนมัติซึ่งพระนาคเสนเถระหมายเอากล่าวไว้ในมิลินทปัญหาว่ามหาปพิสเนื้อความอันกุลบุตรพึงรับรองด้วยบทดั้งเดิมได้แก่อาหัจบทอาหัจบทนี้หมายถึงบทดั้งเดิมก็คือพระพุทธพจน์นั่นเอง และด้วยรถรถนี้ก็หมายถึงสุตตานุโรมนี่แหละด้วยความเป็นวงแห่งอาจารย์เรียกว่าอาจาริยวงและด้วยความอธิบายอธาธิบายนี่ก็เป็นอันสุดท้ายจึงอยู่บรรดาบทลาวนี้คําว่าอาหัรจะบทท่านประสงค์เอาสูตรนั่นเองก็คือพระสูตรที่พรเจ้าบรรัญญัติไว้สิกขาบทต่างๆคําว่ารถท่านประสงค์เอาสุตตานุโลมพวกนี้ก็จาเป็นพวกมหาประเทศ ประเทศ 4, สี่ฝ่ายพระวินัยแล้วก็คําว่าอาจาริยักษ์วงท่านประสงค์เอาอาจริยว่าพวกอัตกถาทั้งหลายคําว่าอาธิบายท่านประสงค์เอาอัตโนมัติก็พวกความเห็นตัวน์ความเห็นของบุคคลพวกดีกาจารรุ่นหลังบรรดาวินัยสี่อย่างนั้นที่ชื่อว่าสูตรได้แก่บาลีพระวินัยปิดกทั้งมวลพระวินัยปิดกทั้งหม ด, ด, ท, หมดที่เป็นพระพุทธพจน์นี้ชื่อว่าเป็นสูตร เป็นสิ่งที่จะต้องเอาไว้เป็นเครื่องตัดสินประการแรกเลยทีเดียวที่ชื่อว่าสุตานุโนมก็ได้แก่มหาประเทศสี่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าข้อที่หนึ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งใดเรามิได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่เป็นอกติยะขัดกันกับสิ่งที่เป็นกัปติยะสิ่งนั้นไม่ควรแก่ท่านทั้งหลายสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายเพราะว่า ไปเข้ากันกับอักขปิยะคือมันไม่ควรแต่ไปขัดกันกับสิ่งที่เป็นอักขปิยะด้วยขัดกันแบบสิ่งที่ควรเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายนูกวามพิกตุรทั้งหลายข้อที่สองสิ่งใดเรามิได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่เป็นกักปิยะขัดกันกับสิ่งที่เป็นอักัปิยะสิ่งนั้นควรแก่เถือทั้งหลายข้อที่สามดูความพิจตุรทั้งหลายสิ่งใดเรามิได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร หาสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่เป็นอากัปปิยะขัดกันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายดูก่อนที่สุดทั้งหลายข้อที่สี่สิ่งใดเราไม่ได้อนุญาตด้วยว่าสิ่งนี้ควรหาสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะขัดกันกับสิ่งที่เป็นอากัปปิยะสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่ามหาประเทศสีซึ่งเป็นสุตตานุลโอมระหว่างสุตตานุโอมกับสูตร สูตรานุโรรนี้ก็อ่อนกว่าสูตรส่วนที่ชื่อว่าอาจริยวาทก็ได้แก่แบบอัตกถาซึ่งยังวินิจฉัยท้องเรื่องให้เป็นไปนอกจากบาลีก็เรียกว่าวินิจฉัยประเภทบาลีมุตตะซึ่งพระรหันห้าร้อยผู้เป็นธรรมสังคากากตั้งไว้อันนี้เรียกว่าอาจริยวาาอาจริยวาาหรือว่าอาจริยวงศนั่นแหละส่วนพระสูตรนี้ก็เป็นอาหัรจบท แล้วก็ที่ชื่อว่าอัตโนมัติได้แจ่คำที่พ้นจากสูตรสุตานุโลมและอาจริยว่ากล่าวตามอาการที่ปรากฏด้วยอนุมาณคือด้วยการตามรู้แห่งต น, นด้วยการถือเอาโดยในอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติซึ่งอ่อนที่สุดเลยซึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพิจรารณาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็สมควรกับเวลาไปตั้นทั้งหลายเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อต่อครวินยัย ทรงคำสอนของประสมมาสมัมพุทธเจ้าน้อมไปในการที่จะปฏิบัติตามไตรสิ k r าเพื่อที่จะประชุมอริยมรรคีองค์แปดซึ่งก็คือการประชุมไตรสิทธานั่นเองบรรลุเป็นพระอริยบุคลคลค้นจักวัตตาทุก์โดยทั่วการเทินสาธุสาธุสาธุ